ทิกสุกบางรูปผู้ไม่มีศรัทธานมั่นคงทุศีนสดับน้อยไม่สงัดเกียดคล้านมีสติไม่มั่นคงมีจิตไม่มั่นคงปัญญาสามไม่ได้เป็นขีณาสกแต่ว่าปราถนาความยกย่องอันไม่มีในตนว่า ฉไนหนอชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเราเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นภูุสูตรสงัดมีความเพียรดีมีสติตั้งมั่นมีจิตมั่นคงมีปัญญาดีเป็นพระกีนาศพดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปรารถนาการยกย่องซึ่งคุณอันตนไม่ได้มีอยู่จริงบางคราวที่มีความปรารถนาว่าฉไนหนอพิสุนายอาวาสทีทั้งหมด พึ่งแวดล้อมเราถามเราในข้อกังขาต่างๆเว้นเราเสียแล้วไม่อาจตกลงอะไรได้ดังนี้ชื่อว่าปราถนาการแวดล้อมจากภิสุทั้งหลายเธอไม่ปรารถนาการบูชาด้วยปัจจัยสีจากตระกูลของญาติมีมารดาบิดาเป็นต้นเห็นเป็นสิ่งไม่มีเกียรติไม่เป็นชื่อเสียงแต่ว่าเธอปราถนาการสการะบูชาจากสกุลอื่นโดยเฉพาะ สกุลใหญ่ๆเช่นสกุลของพระราชามหาอมาตหรือเศรษฐีกหบดีผู้มีทรัพย์มียศและชื่อเสียงและมีความคิดอลามกว่าฉนไหนหนอะชนในะกุลเหล่านี้เพิ่งถวายปัจจัยสี่แก่เราจะเพียงผู้เดียวไม่ถวายภิกษุอื่นดังนี้ชื่อว่าปรารถนาการบูชาจากสกุลอื่นเมื่อเธอมีความคิดอยู่อย่างนี้กิเลสทั้งหลายมีริษยาและมานะ แต่ความหวงแหนเป็นต้นย่อมเจริญแก่เธอส่วนกุศลรธรรมมีแต่ความเสื่อมไปพระสุธรรมฟังพระพุทธโอวาส้แล้วชื่นชมยินดีถวายบังคมพระบรมศาสดาลุกจากอาสนะกระทำรรประทักษิณแล้วเดินทางไปยังมัชฌิกาสนกับพิษุผู้เป็นอนุทุต น, นแสดงอาบัตต่อหน้าจิตต า, าหกหกบดี ให้อุบาสกให้อภัยในความผิดพลาดกล่าวรล่าแต่หุนหลังจิตตะขณะพอดีก็บอกอดโทษพร้อมกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมยกโทษให้ท่านถ้าโทษของกระผมมีอยู่ก็ขอท่านได้โปรดอดโทษให้กระผมด้วยพระสุธรรมเถระรู้สึกตัวเห็นโทษของทิฏิมานะแล้วตามธรรมดานั้นท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาและมีภูมิธรรมอยู่แล้ว แต่เพราะทิฏฐิมานะจัดจึงครอบงามกุศลธรรมเสียเสมือนกับต้นข้าวอ่อนถูกต้นหญ้าขึ้นทับถมเมื่อถอนต้นหญ้าคือทิฏฐิมานะออกได้แล้วต้นข้าวคือกุศลธรรมก็พลันเจริญงอกงามขึ้นทันทีเพียงสองสาวันต่อมาพระสุธรรมก็สามารถบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย การที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะไปมัชชิกาส น, นันได้ยังประโยชน์ให้เกิดแก่จิตตะกะหาบดีและพระสุธรรมด้วยประการศนี้อีกครั้งหนึ่งที่กรุงราชคลึดนีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่ามหาเสนาพราหมณ์เคยเป็นสหายของวังคันตะพราหมณ์ผู้เป็นบิดาของพระธรรมเสนาบดีพราหมณ์ผู้นี้เคยเป็นพราหมณ์ที่มั่งคั่งมาก ต่อมาตกยากพระสารีบุตรต้องการจะสุงคราะหเขาจึงไปบิณทบาทยังประตูเรือนของพรามนั้นมหาเสนะผู้ซึ่งบัดนี้ตกยากได้เห็นพระเถระมายือนอยู่ที่ประตูเรือนคิดว่าบุตรของเรามายือนอยู่ที่ประตูเรือนคงไม่ทราบกระมังว่าบัดนี้เราไม่เหมือนเมื่อก่อนเสียแล้วอะไรๆในเรือนของเราที่พอจะถวายเป็นทายธรามได้ไม่มีเลยดังนี้แล้ว ไม่อาจเผชิญหน้ากับพระเถระได้จึงหลบเสียวันอื่นๆพระเถระไปยังประตูเรือนนั่นอีกแต่มหาเสนพรามไม่มีอะไรถวายจึงหลบเสียเช่นเคยเหตุการณ์ได้เป็นไปอย่างนี้อยู่หลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งพราได้ข้าวมตทุปาญาติประทัดหนึ่งและผ้าสาดกเนื้อหยาบอีกผืนหนึ่งจากที่ที่เจ้าภาพเชิญพราไปทาพิธีแล้วให้ของมา มหาเสนพราหมณ์ถือของกลับบ้านพร้อมกับนึกว่าวันนี้เรามีทยาธรรมแล้วถ้าพระเทระบุตรของเรามาเราจะถวายของนี้ให้ได้ชื่นใจสักวันหนึ่งคดีวันนั้นพระเทระเข้าฌานสมาบัติออกจากฌานสมาบัติแล้วพิจารณาหาบุคคลที่ควรโปรดได้เห็นด้วยเทปจักษุซึ่งพราหมณ์นั้นว่าบัดนี้เขามีทยาธรรมแล้ว เราควรไปโปรดเขาจึงไปยังประตูเรือนของพรามนั้นพอเห็นพระเถระเท่านั้นจิตของพรามก็เลื่อมใสเขาก็ไปหาพระเถระไหว้แล้วกระทําปฏิสันฐานนิมนต์ให้นั่งบนเรือนถือทาที่เต็มด้วยข้าวปลาญาติเข้ามาเทลงในบาทของพระเถระพระธรรมเสนาบดีรับไว้ครึ่งหนึ่งและปิดบาทเขากล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญ ข้าวปาญาตินี้เพียงพอสําหรับคนคนเดียวเท่านั้นขอท่านได้โปรดรับไว้ทั้งหมดเถิดอย่าสงเคราะห์กระผมเพียงในโลกนี้เท่านั้นเลยขอได้โปรดสงเคราะห์ในโลกหน้าด้วยเถิดกระผมขอถวายท่านทั้งหมดดังนี้แล้วเทข้าวปายาติลงในบาตรของท่านทั้งหมดเมื่อพระเทรซาชันเสร็จแล้วเขาก็นําผ้าสาดกเนื้อหยาบมาถวายพร้อมกล่าวว่า ขอกระผมพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วด้เถิดเพราะมหาเถระพิจารณาแล้วเห็นว่าพราหมณ์จะเป็นผู้มีลาภเป็นอันมากในอนาคตจากได้บรรลุธรรมแต่อายุอย่างน้อยทีเดียวจึงกล่าวอนุโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดพราหมณ์ดังนี้แล้วลุกจากอาสนะหลีกไปจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองสาวัตถีพักอยู่ณเชตวันวิหาร ท่านกล่าวว่าทานที่บุคคลให้แล้วในคราวตกยาก ย, ย่อมอย่างผู้ทำรรให้ราเริงเบิกบานและมีอันดีสงมากด้วยเหตุนี้พรามนั้นถวายทานแด่พระเถระแล้วมีจิตใจเลื่อมใส ย, ยิ่งนักโสมนัสอย่างยิ่งมีความสเสน่หาเป็นอย่างยิ่งในพระเถระไม่นานนักพรามนั้นได้ทำกาลแล้วไปปฏิสนธิในสกุลอุปถากของพระเถระในกรุงสาวัตถี มารดาของทารกในคันได้บริหารคันอย่างดีเว้นการบริโภคของร้อนจัดเย็นจัดเปรี้ยวจัดและเผ็ดจัดเป็นต้นถึงกระนั้นนางก็ได้มีอาการแพ้ท้องไข้ทําทบุญกุศลพรำพึงอยู่เสมอว่าฉะนายหนอเราพึงนิมนต์ภิกษุห้าร้อยรูปมีพระสารีบุตรเทระเป็นประธานให้นั่งในเรือนถวายข้าวปาญาตเจือในน้าหล่มล้วน แม้เราเองก็พึงนุ่งห่มผ้ากาสาวะถือขันทองคำนั่งปลายอาสนะแล้วบริโภคข้าวป่าชาติที่เหลือจากพิสุทั้งหลายการที่นางผู้เป็นมารดามีอาการแพ้ท้องดังนี้เป็นปุพานิมิตว่าบุรที่อยู่ในคันนั้นจากได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพวกญาติทราบการแพ้ท้องของนางยินดีว่า อาการแพ้ท้องแห่งธิดาของเราประกอบด้วยธรรมปลารพธรรมเป็นนิมิตอันดีจึงชวนกันจัดแจงให้เป็นไปตามความต้องการของนางทุกประการระหว่างเวลาที่ทารกอยู่ในคันนั้นเมื่อปลารบจะทำงานมงคลใดๆก็ได้ทาโดยธรดองนั้นทุกคลังไปคือถวายข้าวปลายาตแก่ปิสุสงมีพระสารีบุตรเทระเป็นประธานและนางก็ดุุงห่มผ้ากาสาวะ นั่งอยู่ปลายอาสนะถือขันธงคำบริโภคข้าวปายาตที่เหลือจากภิกษุสงฆ์ในวันคลอดพวกญาติทำพิธีมงคลให้ทารกอาบน้ำแต่เชา้าตรู่ประดับประดาด้วยสัพพาพรแล้วให้นอนบนผ้าคาพนมีค่าแสนหนึ่งบนที่นอนมีสริริเรื่องข้าวปายาตก็ดีเรื่องที่เด็กได้นอนบนผ้าคาพลอันมีราคามากก็ดีเป็นผลแห่งข้าวมทุปายาต และผ้าเนื้อหยาบที่ทารกได้ถวายแก่พระสารีบุตรในชาติก่อนคือชาติที่เป็นพรางตกยากในวิธีมงคลวันหนึ่งทารกนอนอยู่บนผ้ากำพลและดูพระสารีบุตรเถร่าพรางคิดว่าเราได้สมบัติทิ้นปานนี้ก็เพราะได้อาศัยพระเถรานี้ท่านเป็นบุรพ า, ารย์ของเราเราควรบริจาคอะไรสักอย่างหนึ่งแก่ท่านในวันนี้ ในขณะที่พวกญาตินำเข้าไปรับศีนั่นเองทารกได้เอานิ้วก้อยเกี่ยวผ้ากําพลผืนนั้นยึดไว้พวกญาติพยายามปลดออกแต่เด็กไม่ยอมปล่อยและร้องไห้พวกญาติจึงพาทารกไปไหว้พระเถระพร้อมทั้งผ้ากาพลเมื่อญาติให้ไหว้พระเถระทารกชักนิ้วออกให้ผ้ากาพลตกอยู่ที่เท้าของท่านพวกญาติมีมาดาเป็นต้นกล่าวว่าท่านเจ้าข้า ผ้าคำคพูนพืนนี้ทารกเกี่ยวก้อยติดมานี่ขอให้เป็นผ้าอันทารกถวายแลบแก่ท่านขอท่านได้โปรดรับไว้ได้วยเถิดเด็กคนนี้ชื่ออะไรพระเทเรศถามชื่อติสสะเจ้าข่ามารดาของทารกตอบต่อมาก่อนจะอายุครบเจ็ดขวบได้มีพิธีมงคลอีกหลายครั้งแต่ละครั้งก็ทําอย่างเดียวกับครั้งก่อนๆ น, นั่นเอง ส่วนมารดาของเด็กก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทําลายอธัธยาศัยของลูกถ้าลูกปรารถนาจะบวชก็จะให้บวชเมื่อเด็กอายุครบสามขวบได้กล่าวกับมารดาว่าคุณแม่ครับลูกจะขอบวชกับพระเถรรักมารดาตอบยินยอมด้วยความยินดีเพราะว่ามีอัจยาศัยนิยมในธรรมอยู่แล้วใครเห็นบุตรเจริญในทางธรรมยิ่งกว่าในทางโลกวันนั้นเอง ในมณฑลพระเถระมาถวายพิชสาแล้วกล่าวเปลี่ยนให้ทราบถึงเรื่องที่บุตรน้อยขออนุญาตบวชในสำนักของท่านตอนเย็นจึงพาบุตรน้อยไปสู่สำนักของพระสารีบุตรพร้อมด้วยส ก, การะเป็นอันมากพระเถระกล่าวกับทารกก่อนบวชว่าพิชสาการบวชนั้นเป็นของยากทําให้บริบูรณ์ได้ยากความเป็นอยู่ไม่สะดวกเหมือนกระหัตเมื่อต้องการของร้อนก็ได้ของเย็น เมื่อต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนนักบวชต้องอดทนไปประพฤติตามใจตนเองเรื่องนี้เธอเคยมีความสุขมาแล้วขอให้คิดดูให้ดีก่อนเด็กน้อยติสารับอย่างมั่นคงว่าจะทำได้ตามที่ท่านสั่งสอนพระเทราจิงให้บวชเป็นสมนเด็โดยการบอกกรรมฐานห้าให้ก่อนกรรมฐานห้าคือให้พิจารณาอวัยวะทั้งห้ากล่าวคือ ผมขนเล็บฝันหนังว่าเป็นของปฏิกูลน่ารังเกียจโสโคลงไม่ควรกำหนดควรพิจารณาเนึองเนืองซึ่งความปฏิกูลของผมขนเล็บฝันหนังนี้เมื่อพิจารณาเนึองเนืองย่อมทําให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตเป็นสมาธิได้เร็วกรรมาฐานห้านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยทรงละทิ้งเลยอหนึ่งภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้พิจารณากรรมฐานห้านี้แล้วได้บรร ล, ลุอรหัตผลมีจํานวนมากมายกําหนดไม่ได้พระสารีบุตรเทระบอกกรรมฐานห้าให้แล้วให้ดํารงอยู่ในศีลสิบแล้วให้เด็กน้อยดํารงอยู่ในภาวะแห่งสามเณรมารดาบิดาของสามเณรถวายข้ามาันทุปายาติน้ําน้อยแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในวิหารนั่นเอง เป็นเวลาสองวันพิกสุบางพวกเบื่ออาหารประเภทนี้จึงกล่าวโพนทนาขึ้นว่าพวกเราไม่อาจฉันอาหารอย่างเดียวเป็นนิดได้มารดาบิดาของสามเณรขออาศัยอยู่ในวัดเป็นเวลา7วันในเย็นวันที่7จึงกลับเรือนของตนและในวันที่8ปดสมเณรจึงเข้าไปบิณฑบาตกับพิกสุทั้งหลาย ไปบินธบาตในเช้าวันนั้นจึงพากันจัดแจงทายธรรมเป็นอันมากเช่นผ้าสาดกและอาหารอันปานีดแล้วไปยืนดักถวายแม้ในวันรุ่งขึ้นก็ชวนกันไปดักถวายที่ป่าใกล้ที่อยู่ของสัมมเณีนเพียงสองวันเท่านั้นสนัมมเณีได้ผ้าสาดกจำนวนพันและทายธรามอื่นๆ อ, อ, อีกเป็นอันมากเธอได้ถวายของเหล่านั้นแก่พิสุสง์ การที่สมเด็จได้ผ้าสาดกเป็นอันมากนั้นเป็นอานิสงส์แห่งการถวายผ้าสาดเนื้อหยาบแก่พระสารีบุตรในสมัยที่ตนเป็นพราหมณ์ยากจนด้วยประการลชนีภิกษุทั้งหลายจึงขนานนามสมเด็ว่าบินทปาตกะทายกะติสะติดสะผู้ถวายบิณฑบาตเช้า ว, วันหนึ่งสมเด็จถเดินเล่นในวิหารเห็นพิสุจำนวนหนึ่งนั่งผิงไฟอยู่ในเรือนไฟจึงเรียนถามว่า เพราะเหตุปลาจึงนั่งผิงไฟด้วยเล่าหนาวนะ่าสมมนเนนท่านผู้เจริญในฤดูหนาวท่านทั้งหลายควรห่มผ้าคำพลเพราะว่าผ้าคำพลกันหนาวได้ดีสมมนเนนเธอมีบุญมากผ้าคำพลเกิดขึ้นจะเธอได้โดยง่ายแต่ว่าสำหรับพวกเราแล้วเป็นผู้ที่มีบุญน้อยจะได้ผ้าคำพลจากที่ไหนเล่าท่านผู้เจริญ ถ้ากระนั้นขอท่านทั้งหลายจงมากับข้าพเจ้าเถิดท่านที่ต้องการผ้าคำพลจักได้ผ้าคำพลภิกษุจํานวนมากอันสายสัมมเนรผู้มีอายุเพียงเจ็ดขวบเข้าไปสู่นครสาวตัตถีสมมาเนรไม่ได้วิตกเลยว่าเราจะได้ผ้าคำพนที่ไหนสําหรับภิกษุจํานวนมากอย่างนี้สามเนรเดินไปตามลําดับเรือนภายนอกนครสาวตัตถีได้ผ้าคำพลถึงห้าร้อยผืน แล้วเข้าไปภายในพระนครเช้าเมืองนําเอาผ้ากําพลจํานวนมากมาจากที่นี่บ้างที่โน่นบ้างนํามาถวายชายคนหนึ่งเห็นเจ้าของร้านคนหนึ่งกําลังคลี่ผ้ากําพลอยู่จึงพูดว่าท่านจงรีบซ่อนผ้ากําพลนี่สเสถิดสามเณรรูปหนึ่งกําลังรวบรวมผ้ากําพลอยู่ก็สมมเณรถือเอาเฉพาะผ้าที่เขาให้แล้วหรือแม้ของที่เขาไม่ได้ให้ด้วย เจ้าของร้านนั้นถามเฉพาะของที่เขาให้เท่านั้นบุรุษผู้นั้นตอบถ้าอย่างนั้นท่านไปเสด็เถิดอย่ามาพูดเลยถ้าปราถนาจะให้เราก็ให้ไม่ปราถนาก็ไม่ให้ชายผู้นั้นเกลือเขินออกไปแล้วคนตระหนี่มีนิสยัยพานเมื่อคนอื่นกำลังทำความดีมีให้ทานเป็นต้นก็ขัดขวางสมดังที่พระศาสดาตรัสว่า เมื่อสัตบุรุษคนดีให้สิ่งที่ให้ได้โดยยากอยู่ทำสิ่งที่ทำได้โดยยากอยู่สัตว์บุรุษคนชั่วทำตามไม่ได้เพราะทำของสัตว์บุรุษทำตามได้ยากด้วยเหตุนี้คติคือทางเดินหรืออนาคตของสัตว์บุรุษและอสัตบุรุษจึงต่างกันอสัตบุรุษไปนรกส่วนสัตบุรุษไปสวรรค์ท้องฟ้ากับแผ่นดิน ฝั่งมหาสมุทรทั้งสองข้างนับว่าห่างกันแต่ว่าธรรมของสัตว์ปุรุตกับอสัตว์ปุรุตนั้นยังไกลกันยิ่งกว่านั้นเมื่อชายผู้นั้นจากไปแล้วเจ้าของร้านคิดว่าบรรดาผ้าคำพลจำนวนมากของเรานี้มีอยู่สองผืนที่มีราคาเป็นเทือนแสนถ้าสมเณรเห็นแล้วเราไม่ให้เราจะละอายจึงซ่อนผ้าคำผลสองผืนนั้นเสีย แต่ว่าพอสมณเณรพร้อมด้วยพิสูจน์จำนวนมากมาถึงเขาพอได้เห็นสมณเณรเท่านั้นความรักเพียงดังบุตรก็เกิดขึ้นสรีระทั้งสิ้นเอิบอาบไปด้วยความรักเขาคิดว่าจะว่าแต่ผ้าคำพลเลยสําหรับสมณเณร น, นี้แม้ดวงใจของเราก็ให้ได้ดังนี้แล้วจึงนําผ้าคำพลสองผืนที่มีราคาตั้งแสนนั้นมาวางไว้แทบเท้าของสมณเณรพร้อมกล่าวว่า ขอข้าพเจ้าได้เห็นธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วเถิดสมณเณรอนุโมทนาว่าขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จดังประสงค์สมณเณรได้้ากําพลภายในพระนครอีก500รอยผืนวันเดียวกันนั้นเธอได้้ากําพลถึงหนึ่งพันผืนได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วภิกษุทั้งหลายได้ขนานนามเือว่ากัมพลกายกติสัก ติดศักเมืให้ผ้าคำพลด้วยประการาชนีทานที่บุคคลทำไว้ดีแล้วมีอนุภาพมากอย่างนี้ขึ้นเชื่อว่าบุญกุศลควรทำแท้เพราะมีสุขเป็นอนิสงมีความสาเร็จดังต้องการเป็นผลพระพุทธศาสนาย่อมทำให้ของน้อยที่บุคคลให้แล้วนั้นมีผลมากของมากย่อมมีผลมากยิ่งขึ้น เพราะบุคคลทำแล้วในทักในรบุคคลผู้อุดมด้วยคุณธรรมดุดการหวานพืชเพียงเล็กน้อยในเนื้อดินที่ดีฉะนั้นเ ม, มื่อสมติสะพักอาศัยอยู่ที่เชตวันวิหารนั้นพวกเด็กๆที่เป็นมิสหายมาพูดจาปลาสัยด้วยเนืองๆสมณ น, นคิดว่าเมื่อเราอยู่ที่นี่พวกเด็กๆที่เป็นญาติบ้างเป็นสหายบ้างมาหามาสนทนาปลาศัยอยู่เสมอเสมอ จะไม่พูดด้วยก็ไม่ควรเราควรจะปลีกตนไปอยู่ที่อื่นควรเรียนกรรมฐานในสำนักของพระาศาสดาแล้วเข้าสู่ป่าสามเนรได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลขอให้พระพุทธองค์ตรัสบอกกรรมฐานจนถึงอรหัตผลลาอุปชายะคือพระส า, ารีบุตรแล้วถือบาทและจีบอลออกไปจากวิหารคิดว่าจะไปพักอยู่ใกล้พวกญาติพวกเด็กๆที่เป็นสหายก็จะถูกรบกวนอีก จึงได้เดินทางเข้าไปสู่ป่าสิ้นระยะทางประมาณ120โย์พบอุบาสกคนหนึ่งในหมู่บ้านป่าจึงถามว่าในแถบนี้ที่อยู่อาศัยของพิสุมีอยู่บ้างหรือเมื่ออุบาสกบอกว่ามีจึงขอให้เขาชี้ทางให้เพียงได้เห็นและได้พูดกับสามเณรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความรักก็เกิดขึ้นแก่พราหมณ์ประดุดว่าสามเนณรนั้นเป็นบุตรของตน แทนการที่จะบอกทางเขากล่าวว่ามาเถเิดสมณเณรข้าพเจ้าจะพาท่านไปอุบาสกได้พาสมณเณรไปผ่านสถานที่อันน่ารื่นรมต่างๆจนถึงวิหารอันตั้งอยู่ในปา่าจึงบอกแกสมณเณรว่าที่นี่เป็นที่สบายขอท่านอยู่ตามอธัธยาศาัยเถิดถามชื่อของสมณเณรแล้วขอให้สมณเณรไปบินทบาทที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้น ไดเที่ยวป่าประกาศแก่เพื่อนบ้านว่าสมณเนรชื่อวณะาวาสีติสสะมาพักอยู่ณวิหารในป่าขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงอาหารมีข้าวมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นด้วยเถิดเดิมทีเดียวสมณเนรชื่อติสสะเฉยๆต่อมาได้นามว่าปินทปาทายกติสสะเพราะว่าแบ่งปันอาหารบินฑบาตให้แก่พิสุกทั้งหลายอยู่เนืองนิดต่อมาได้ชื่อว่า รมพระทายกติสักเพราะถวายผ้าคำพลแก่ภิกษุทั้งหลายเวลานี้สมณเดนได้นามว่าวนวาสีติสะเพราะมีปกติอยู่ในป่าเพียงอายุเจ็ดขวบเท่านั้นมีชื่อตามคุณสมบัติถึงสามชื่อรวมชื่อเดิมอีกหนึ่งเป็นสีชื่อรุ่งขึ้นสมณเดนไปบิดนาบาทแต่เช้าตรู่พวกมนุษย์ถวายภิกษาและไหว้ส ม, มเณนกล่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงพ้นทุกข์มีความสุขเถิดทุกคนที่ถวายพิกสาแก่ส ม, มนเนรแล้วไม่มีใครกลับต่างก็ยืนมองส ม, มนเนรด้วยความชื่นชมโสมนัสแล้วหมอบลงแทบเท้าคงส ม, มนเนรหมอบลงได้อกคือการกราบลงที่พื้นด้วยเบญจางคขประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าขอนิมนท่านอยู่จําปัญหาที่นี่ตลอดใจมาสเถิดพวกข้าพเจ้าจะถึงสารณะสามและตั้งอยู่ในศีห้า จากรักษาอุโบสถกรรมเดือนละแปดครั้งคือทุกๆุเจค่ำ8ดค่ำและ14บสห้าค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรมขอท่านได้โปรดให้ปฏิญญาแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดสมเเณรคํานึงถึงอุปการะคุณของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วให้ปฏิญญาแก่พวกเขาไปบินทบบาทในหมู่บ้านนั้นเป็นประจำขณะที่ชาวบ้านไหว้สมเเณรพูดอยู่สองบทเท่านั้นว่า ขอท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์จงมีความสุขเถิดสมณเณนรมัพ็นสมณธรรมอยู่หน้าเสน า, สนาสนะป่านั้นบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายในเดือนที่สามนั่นเอง่อออกพรรษาปวรณาแล้วพระสารีบุตรอุปชายยกของสมณเณรได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลลาไปเยี่ยมสมณเณรเมื่อพระาศาสดาทรงอนุญาตแล้ว ก็ไปบอกพระมหาโมคลานะพระมหาโมคลานะขอไปด้วยแม้พระมหากะสปะพระอนุรุทธพระอุบาลีและพระปุณหะก็ไปพร้อมด้วยบริวารของตนของต น, อ, งนอุบาสกผู้ประทับสมณเณรเห็นพระเทระเหล่านั้นมาจึงทําการต้อนรับอย่างนอบน้อมพระสารีบุตรบอกว่าจะไปเยี่ยมสมณเณรติสักอุบาสกจําพระมหาเทระทั้งหลายได้ ตั้งแต่พระสารีบุตรลงมามีปีติปราโมทเป็นล้นพ้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงหยุดอยู่ที่นี่ก่อนดังนี้แล้วรีบเข้าไปในหมู่บ้านปาวร้องว่าพระศิทธิมหาสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นได้มาถึงหมู่บ้านของพวกเราแล้วขอท่านทั้งหลายจงถือเอาเครื่องใช้มีเตียงตัง้งเครื่องปูลาดประทียน้ํามันเป็นต้นออกไปโดยเร็วเถิด มนุษยทั้งหลายได้ฟังประกาศของอุบาสกแล้วต่างก็ช่วยกันขนสัมภาระมีเตียงเป็นต้นติดตามพระเถระไปสมณะได้ทําการต้อนรับพระมหาเถระด้วยความนอบน้อมเมื่อสมณะกําลังจัดแจงอยู่เพื่อพระเถระเก็บปาตและจีวรของท่านทาลายอยู่นั่นเองความมืดก็ปรากฏขึ้นพระสารีบุตรบอกให้พวกอุบาสกกลับไปก่อนเถิดเพราะว่ามืดแล้วอุบาสกตอบว่า ท่านผู้เจริญวันนี้เป็นวันธรรมสวนระพวกข้าพเจ้าขอฟังธรรมก่อนแล้วจึงกลับพวกข้าพเจ้าไม่ได้ฟังธรรมมาเป็นเวลานานแล้วสมณเณรถ้าอย่างนั้นเธอจงตามพระที่แล้วประกาศเวลาฟังธรรมเถิดพระเทวราชเมื่อสมณเณรทําตามที่พระเสระสั่งเสร็จแล้วพระเทราชจึงพูดกับสมณเณรว่าติดสัพวกอุปถาของเธอประสงค์จะฟังธรรม เธอจงกล่าวทำเถิดพวกอุบาสกลุกขึ้นพร้อมกันทันทีกล่าวว่าท่านบูเเริญพระคุณเจ้าของพวกข้าพเจ้าหารู้รมอย่างอื่นไม่นอกจากรู้สองบทเท่านั้นคือขอท่านทั้งหลายจงถึงความสุขจงพ้นจากความทุกเถิดขอท่านได้โปรดให้ธรรมะเถิกรูปอื่นแสดงทำเถิดสมมเนธแม่บรรลุอรหัตผลแล้ว ก็ไม่เคยกล่าวทําใดๆแกอุบาสกเหล่านั้นเลยพระสารีบุตรอุปชาแห่งสัมมาเนรรู้อัธยาศัยแห่งสัมมาเนร์จึงกล่าวว่าสัมมาเนรบุคคลจะถึงความสุขได้อย่างไรและจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรเธอจงกล่าวความแห่งบททั้งสองนี้แก่เราทั้งหลาย มณเณรผู้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายรับคำของพระเทระแล้วขึ้นสู่ธรรมาติชักผลละเหตุมาจากนิกายทั้งห้าของพระสุตันตะจำแนกขันธาตุอาณตนัและโพธิปากยธธรรมดุจมหาเมฆตั้งขึ้นในสีทิศ ย, ยังฝนให้หลั่งลงกล่าวธรรมกถามุ่งเอาอรหัตผลเป็นยอดโดยนัยว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย ความสุขแท้จริงย่อมมีแก่ท่านภูบาลุอรหัตตพุเท่านั้นท่านภูบาลุอรหัตตพุนั่นเองย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นบุคคลนอกจากนี้หาชื่อว่ามีความสุขแท้จริงไม่และหาชื่อว่าพ้นจากทุกทั้งหลายทั้งปวงไม่พระเทรซากล่าวว่าสัมเนรเธอกล่าวชอบแล้วเนื้อความแห่งธรรมเธอกล่าวถูกต้องแล้ว ต่อไปจงกล่าวสารพันยะเถิดสมณเณรได้กล่าวทำโดยสารพันยะวิธีสละสลวยไพเราะจับใจยิ่งนักสารพันยะคือการกล่าวรมเป็นทํานองถูกต้องตามฉันทลักษณะมเมื่อสมณเณรกล่าวสารพันยะจบลงอรุณก็ขึ้นพอดีพวกมนุษย์ที่บํารุงสมณเณรได้แบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งโกรธว่า เราไม่เคยเห็นบุคคลที่หยาบช้าเช่นนี้มาก่อนเลยทำไมสมณเณรรู้ธรรมถึงปา น, นี้จึงไม่กล่าวธรรมสักบทหนึ่งแก่พวกมนุษย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาบิดาของตนอุปถากตนอยู่สิ้นกาลนานประมาณเท่านี้ส่วนบางพวกยินดีว่าเป็นลาบของพวกเราแล้วหนอที่ได้อุปถัมภ์บำรุงสมเณรตั้งแต่พวกเราไม่รู้ขุนอันญญิหลวงถึงปา น, นี้ของท่านบัดนี้ พวกเราได้ฟังธรรมในสำนัก ข, ของท่านได้รู้คุณของท่านแล้วในเวลาใกล้รุ่งวันนั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตติพุทธจักสุทรงเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอุปถาของสา ม, มนเณนสองพวกทรงทราบว่าพวกที่โกรธสา ม, มนเนนจากไปนรกถ้าเสด็จไปโปรดพวกเขาจะมีเมตตาจิตมีจิตอ่อนโยนในส ม, มนเณน แล้วจากพ้นทุกได้มนุษย์ทั้งหลายกลับไปบ้านจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นปูอาสนะไว้คอยการมาของภิกสุทั้งหลายแม้พิกษุท์ทั้งหลายทําการชําระสรีระแล้วก่อนจะเข้าบ้านเพื่อพิกษาได้ถามสมณเณรว่าจะไปพร้อมกับพวกตนหรือว่าจะไปทีหลังสมณเณรเรียนว่าขอให้ท่านทั้งหลายไปก่อนเถิดพวกข้าพเจ้า จักไปตามธรรมดาของตนภิกษุทั้งหลายจึงถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่หมู่บ้าน